อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2536 เป็นการบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้น อกุศลส่วนสุดท้ายคือโมหะมูลจิต 2 ตามเอกสารที่แจกให้วันนี้หมายเลขที่เร 12 เรื่องของอกุศลจิตทั้ง และยากทั้งในแง่ในแง่ของ 2 นั้นเป็นอกุศลจิตที่เกิดเป็นพื้นในสรรดานของสัตว์ทั้ง หรือเป็นบุคคลที่เราคุ้นเคยมากโมหะมูลจิต 2 ยิ่ง เป็นตัวตรงกันข้ามกันแต่อธิบายให้เข้าใจหรือตอบปัญหาและสภาวะธรรม ที่ถ้าเราได้รู้ได้ๆที่แสงสว่างส่องไปๆเนี่ยแต่ครั้งเมื่อ และเราก็ไม่เห็นดวงความมืดด้วยอันนี้พูดในทางสภาวะของปราดิธรรมนะ แต่ที่เราพูดว่าเราเห็นความมืดเห็นความ เหมือนกับบุคคลที่สําคัญว่าอยู่ในความมืดแล้วจริงจริงๆแต่จะอยู่ในขีดขั้นไหนนั้นคนโง่นั้น ส่วนใหญ่ถ้าให้เขาคิดเรื่องอำนาจของ ใครคนหนึ่งเข้าใจเรื่องกรรมแล้วไม่ฆ่ามดแม้แต่ตัวเดียวยุง ในสังคมปัจจุบันนี้ก็มากอย่างที่หลายๆคนได้มาปรารภหรือได้พบกับตัวของ บางีโมหะเนี่ยเป็นสิ่งหรือเป็นสภาวะธรรมที่มีอาการคือกิเลสกับกุศลธรรมคือเรียนกันเรียนแบบกันเรียน เป็นเอ่อเป็นการปลอมเป็นสภาวะปลอมเหมือนกับสติของคนที่เหมือน ปัญญามีอาการเหมือนปัญญาในในมุมหนึ่งแต่ทางสภาวะธรรมในการๆเท่าที่จะ ถึงโวหารที่พุทธเจ้าทรงตรัสถึงตัวนั้นได้ว่าอย่างยิ่งในที่พุทธเจ้าตรัสไว้ๆมาไว้ในที่เดียวตั้ง 20 กว่าว่านี่แหละเป็นชื่อของโมหะหมดแต่ที่ ที่ประกาศถึงความเป็นโมหะนั้นก็คือโมหะที่แปลว่าความลุ่มหลงโมหะหรือโมหะ ที่คําว่าโมหะเราจะพบคํานี้ที่ใช้ในทางคัมภีร์ทางศาสนาด้วยอาการของความเป็น ลองคิดดูนะครับว่าเป็นการแสดงความโง่อย่างร้ายกาตถนาน แล้วก็ขอเรียนว่าไม่ได้อธิบายว่าไกลแต่ที่นี่ <c oughs> ไม่ได้เกิดความๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นๆเหล่านี้ได้ดีกว่าคน ประเภทนี้เราไปเห็นคนปัญญาอ่อนคนบ้าบอ อ่าอย่างของเขานะครับก็อาจจะนึกว่าตัวเองนั้นมีความเฉลียวฉลาดมีความเข้าใจอะไร แปลว่าไม่ก็แปลว่าไม่รู้ก็แปลว่าไม่ใช่วิชาไม่รู้แจ้งพูดสั้นๆก็ว่าไม่รู้แปล แต่ก็พูดได้อย่างรวมๆว่าที่เรียกว่าวิชานั้นในปฏัยปิฎกเอง แต่นั้นคู่ปรับของโมหะนั้นก็จะเป็นไปตามลําดับของโมหะระดับนั้นกับปัญญาในมืดหรือบอด เรียกด้วยอับด้วยการเล็งไปที่ภายนอกเหมือนเราพูดถึงแสงสว่างก็เล็งไปที่นั้นก็ประสาทคือตาผู้ ทั้ง 2 อย่างนี้น่ะเป็นของๆเค้าก็เลยบอดจริงๆ ที่แม่น้ําทางสายไหลเข้าไปในถ้ํา ไม่มีตาบางแห่งก็มีรอยแสดงว่ามีตาเป็นรอย ถ้าอย่างเช่นตมะเราๆว่าตะโมคือผู้ที่มืดมาแล้วก็มืดไปโชติโชติปรายโนผู้ที่สว่างมา ก็คือบางคนระวังมามืดไปบางคนแต่ว่าเมื่อพูดถึงกุศลและกุศลวิบาก แม้บุคคลนั้นจะหลับหูหลับตาทําก็ถือว่า ผู้ลนทุรายวางแผนโดยประการต่าง ความจริงตอนที่เราเสวยกุศลนิบาตนั้นตอนเสวยกุศลนิบาตนั้นไม่ได้ต้องใช้ปัญญา ว่าบุคคลนั้นที่มาได้เสวยผลอย่างนี้ก็ ก็จะไม่รู้จักทำกุศลทำกุศลไม่ได้อันนี้ก็ท่าน เป็นภูมิมืดคือกุศลวิบากนั้นทําให้ แล้วก็ทํากันไปก็ทํากันไปไปตามเรื่องนะเช่นว่าซ่อมก๊อกตินท่อประปาหรือทํานู่นน้ํานี่อย่างท่านเคยเล่าผมก็มัวแปลก บึงใหญ่แห่งหนึ่งประเทศไหนก็ไม่รู้เป็นอาจจะเป็นออสเตรเลีย รูปล่างมันหน้าฟัดหรอกไอ้ฮิปโปโปก็อ้าปากล่างเลยครับมันอ้าปากเข้ามาหาใครไม่ได้มาขอส่วนแบ่ง เมื่อมันเห็นว่าควางตายซะแล้วมันก็ถอยกลับลงไปหลีกทางไม่กินได้เองฮิปโปโปมกินอะไรก็ เมื่อเขาถอยมาแสดงเราเรามองในแง่ของความรู้สึกของยิปโปโปนี่เปอร์ปูเล่าก็ได้มองเห็นอันนี้เราช่วยมีถ้าเกิดมันลั่วขวางอย่างไม่ตายมันก็คงจะที่ที่จะต้องมี ที่ปพณ์ตัวนี้ต่อไปเอ่อกุศลที่จะได้รับคือเมื่อให้สวัสดิภาพแก่ผู้อื่นตัวก็จะได้รับสวัสดิภาพ เมื่อตัวไม่มีปัญญาผลของกุศลวิบากที่เป็นกามาวจรโดยปกตินั้นมันล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุกามจริงหรือเปล่า ที่ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาไม่ได้อยู่ในสายของปัญญาซึ่งจะแตกต่างกับคนที่ แนวธีความสงบตัวเองนั้นก็อาจจะเป็นความเป็นตัวคิดมีพฤติกรรมที่อาจ อ่าหลายๆคนที่เราเห็นที่ที่เราได้ทราบประวัติว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่ จนกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ก็ แต่เราเข้าใจได้ยากที่สุดนั้นถามหา 4 ประการได้กันคือเพราะมีสภาวะปกปิดมี ก็ขอให้นึกถึงอุปมาเมื่อกี้ว่าตากับสิ่งที่ตาเห็นหน้าตากับสิ่ง คนโกรธน่ะรู้มั้ยว่าตัวเองโกรธเราตอบว่าไม่ก็ตัวเดินตัวเห่าอยู่ เรานั่งอยู่เรารู้มาแล้วก็รู้เอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วทําไมไม่บรรลุวิปัสสนาญาณสักทีทําไมไม่ละกิเลสอะไรเลยล่ะปกพรรคเดี๋ยวนี้เขาบอกนั่นไม่มี อันนี้ก็เป็นภาระที่เราจะๆพูดกันในในการบรรยายเรื่องโมหะนี้ไปเพราะนั้นเมื่อสภาวะมันปกปิดท่านประกาศอย่างนี้โมหะเมื่อเกิดขึ้นกับใครยิ่งบ่อย ความคิดที่บางท่านที่เรียนมามากอาจจะใช่เหรอโมหะปกปิดปัญญาใช่ไม่ใช่ก็ตอบว่าถ้าเราตัวอิจฉา โดยขอยืนคํามาปกปิดจากโมหะมาใช้คนขี้ ไม่เข้าใจซาบซึ้งไม่คุ้นเคยไม่รู้คุณค่าของตัวมุกทิตาคือความรู้สึก เขายิ่งไม่เข้าใจเรื่องธรรมมากขึ้นเท่านั้นจริงไม่จริงฉะนั้นทุกตัวจะเป็นอย่างนี้อ่ะฉะนั้นตัวโมหะเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ปก อย่างเช่นเช่นท่านฟังธรรมเนื้อหาของธรรมะที่ปัญญาความรู้ของท่านในดวงความคิดของท่านขณะนี้เป็นปัญญาเมื่อเวลาท่านรู้ซึ่ง มันจะเรียนเรื่องโมหะแล้วจะสู้โมหะครอบเลยถ้ายิ่งไม่เรียนมันยิ่งครอบ คนทุกคนไปทุกขีดขั้นรู้ว่าตัวรู้ทุกคนไปทุกขีดขั้นทุกชั้นของ ส่งนั่นแหละเรียกว่าปกปิดข้ามกับความรู้นั่นแหละเรียกว่าปกปิดซึ่งเป็นการกีดขวางเป็นการทําลายกันในลักษณะหนึ่งเช่นเดียวกับความทุกข์เกิดย่อมปิดบัง เรื่องธรรมะที่ผมอ้างถึงไปลักษณะดีวงข้างนอก เพราะเป็นสภาวะละเอียดเป็นสภาวะละเอียดเป็นสภาวะละเอียดโมหะ ในทางละสางละโมหะจึงเป็นกิเลสที่ละได้ยาก ในเหล่าอย่างนี้แล้วถ้าสมมุติว่าคนเป็นพระอนาคามี ธรรมดามากๆนำมองไม่ออกจึงเข้าใจได้ยากนี่ 3 ใน 3 นั้นคือทุกขเวทนาสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาคืออุเบกขา 3 ในบทบรรยายของอภิธรรมคัมภีร์ที่ 1 ว่าเวทนา 3 อันไหนละเอียดยากเป็นเวทนาหยาบที่สุดสุขเวทนาเป็นเป็นเวทนาละเอียดลง เราดูคนว่าคนหนึ่งกําลังเอแต่ทุกขเวทนามันมัน ว่าคนหนึ่งถูกยุงกัดอีกคนหนึ่งอ่าในบรรยากาศเดียวกันเรา แต่ไอ้ตัวเวทนาจึงเป็นตัวประกาศสภาวะของกิเลสที่เกิดร่วมด้วยกับตัวให้เป็นของหยากของละเอียดไป ท่านจึงถือว่าคนที่มีกิเลสตัวนี้เป็นคนที่หยั่งหุ่มได้อ่าอมเนี่ยบางทีๆ แต่แสดงลักษณ์ภาดีเหมือนกับโมหะก็เลยบางทีแต 2 สูตรต่อ ท่านแสดงอย่างหนึ่งกลางหนึ่งแสดงอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนิ่งไม่นิ่งอ่ะนะก็ทําให้คนโง่นึกว่าโอ้แต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าคน แต่ตัวโมหะเนี่ยมันก็อมภูมิเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นทางออกของความไม่รู้ว่าบางทีเราไม่รู้ นั้นอันเนี่ยถ้าจริงเป็นอาการที่เรียบกว่าเข้าเนี่ยเรามองตัว ตรงนี้ถามมีบางล้วนบางท่านอาจารย์อังขาหรือสงสัย ซึ่งมีสภาวะที่ถ้าใครไม่เคยเรียนพระธรรม โมหะที่ไปเกิดปนกับโลภะและโมหะที่ไปใน 3 ส่วนนี้อีกทีนึงเห 3 เหตุที่ 4 เหตุที่ 4 เพราะ ร่วมกับก็ตามแม้ว่าจะไปเกิดที่เอ่อผมอยากจะเปรียบเทียบ ร่วมกับโลภะและโทสะโมหะนั้นเป็นฉาก แต่แล้วจะมาเผยชายแผ่นเปิ่นใสให้ดูบอกกูจะฉายแผ่นใสให้ดูเดี๋ยวไม่ได้เหี้ยอะไรมันแต่แต่ว่าครับเกิดจะว่าจะมาบรรยายทําหัวเข้าใจเรื่องแผ่นใสจะอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงณเวลานี้น่ะ ถ้าเมื่อใดเราเขียนๆนะเวลาเขียนแล้วฉายให้ดูแผ่นใสเป็นโมหะ เวลาคนโกรธเนี่ยเราลืมนึกลืมมองไม่เห็นตามู โลกมันมีอะไรให้เราได้เห็นง่ายโกรธเนี่ยมันมีอะไรๆคนพยายามจะบอกโอ้ไม่ต้องไป แต่ในช่วงเดี๋ยวนี้คือเค้ามีความรู้สึกเค้า ถ้าน้องไม่มีความโลภความโกรธอย่างที่มันจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตที่สังคมลังเกียดที่ครอบครัวลังเกียด ทุกวันอะไรต่างๆเค้าก็ความรู้บปริญญาเอกอยู่แล้วอะไรต่างๆแล้วแต่จะคิดนะอันนี้ก็ ก็ไม่รู้ว่าจะพูดที่เป็นลำนวนอะไรล่ะครับเป็นเนี่ยเราก็ชักจะรู้สึกโอ้โหเนี่ยเรา ไอ้นี่เราก็ยังไม่ๆในการดําเนินชีวิตเนี่ยยังน่าเหมือนอย่างที่หลายๆคนได้เริ่มๆคนก็ได้ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยใช่เรื่องเล็กน้อยเลยไม่ใช่ๆเลยจริงๆน่าระมัดระวังจริงๆผมไม่ทราบว่าๆอย่างถึงไม ตรงนี้เป็นพิเศษอยู่ในบางอย่างบางเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่ในบางอย่างบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่เรากล่าวเป็นขึ้นมาโดยลำดับกระจกบางคนน่ะก็เห็นชัดเลยมันดู เท่านั้นเป็นพอแล้วแล้วไอ้ตัวกระจกนั้นก็คือกระจกนั้นเอาล่ะนี่คือคําตอบที่ผมตอบ เพื่อแสดงเหตุผลว่าเข้าใจยากขนาดนั้นแต่โดยๆโดยสภาวะของโมหะเนี่ยมันคือ ที่คือหัวใหญ่ไว้โมหะมุจจิตแปลว่าจิตที่มีโมหะนั้นในตำราท่านจะเรียกหลายอย่างบางทีจิตอันนี้ในคัมภีร์จิตหลงด้วยหรือโมหะมูลจิตอย่างใน หรือในคู่มืออภิธรรมที่เราเรียนกันในยุคปัจจุบันนี้จนถือว่า ชื่อทั้งหมดเหล่านี้จะเรียกยักษ์ยื้อง คือโมหะนั้นเป็นเจตสิกที่เรียกว่าโมหะเจตสิกเป็นสภาวธรรมชนิด ปัจจัยที่มันมีลักษณะรู้อารมณ์นั้นเมื่อจะรู้อย่างไม่หลงก็มีที่มีลักษณะ ที่บางครั้งรู้อย่างหลงก็เพราะว่ามันมีโมหะเข้าไปประกอบ บางทีเราแย่ๆก็คือคนที่ไม่ได้เรียนพระวิชัมแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่คนเรียนพระวิชัมจะเข้าใจตรงนี้ไม่ ว่าอาจจะเป็นความหลงก็ได้ที่เรารู้อะไรอยู่เนี่ยอาจจะเหมือนที่ว่ามาแล้วตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนก็ต้อง หลงชื่อว่าไม่รู้จะอะไรเล่าเพราะโมหะในทางธรรมนั้นเขา ปัญญาไม่ใช่โมหะอ่ะเราก็ขวางอะไรชัดลงไปอีก ตามธรรมะบริยายนั้นเป็นปัญญานะเป็นปัญญาจิตจับเสียงพระพุทธเจ้าจิต อีกคนหนึ่งที่อาจจะอยู่ในที่นั้นฟังพุทธพจน์นั้นรู้อะไรเลยไม่รู้เรื่อง ไม่เสียงเดียวกันเวลาเดียวกันตระๆว่าท่านตรัสแล้วน่ะคน ในพุทธพจน์นี้ถ้าอย่างนั้นแล้วลูกอุตริจาตรัสทําไมว่าสัตว์แล้วจะต้องเกิดแล้วก็มีเตรียมแล้วพอมาฟังเค้าก็ไอ้โมหะมันคอยจ้องมันคล่อมงํามันพออารมณ์อะไรมามัน ทวนงงกับสมัยท่านตรัสนําท่านมาได้ไปหมู่เอาประโยชน์ที่คนนั้นแล้วก็มาได้ถือว่าที่ พูดทบทท้อยคําบางคําแก่มาคันธียพรหมและภรรยาลูกสาวก็ฟังอยู่ด้วยพ่อกับแม่ก็ฟังอยู่ด้วยผมไม่ต้องเล่าว่าพูด ทั้งที่เข้าด้วยจิตที่แตกต่างกันโคตเดียวกันที่เรียกว่า เรื่องโมหะนั้นเราไม่ได้พูดว่า คือไม่มีสภาวะตรงนี้เลยเพราะโง่ฉลาดนั้นจะพูดกันที่สภาวะของความนึกคิดไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไม่รู้อะไรหรือไม่ใช่ที่รับรู้อะไรอย่างไรแค่ไหนที่ เป็นอารมณ์ที่เป็นคู่ฝาคู่ตัวของปัญญาแต่บางคนรับอารมณ์นั้นแล้ว อ่าไม่เข้าไม่รู้ไม่นึกรู้อะไรเลยยกตัวอย่างอย่างอายัพอายๆอย่างสภาวะจิตนี้ที่ แต่ก็ฟังเสียงมันอยู่แล้วก็ตรงกันๆอารมณ์ ข้อสําคัญอยู่ที่มโนทิฏฐิข้างในถ้าโยมก็ได้ปัญญาแม้ไปได้ยินเสียงคาสวดมนต์ก็ได้ปัญญาแม้ไปเห็นอารมณ์อะไรอะไรที่ใครคนอื่นเค้าควรจะเกิดบาป ก่อนได้ปัญญาจึงไม่แปลกอะไรเลยครับที่เอ่อท่านสุนทระสมุทรได้ไปบรรลุเป็น ถ้าเรารักษาอารมณ์ข้างนอกเลยน่ะเรารักษาข้างในไม่เดี๋ยวจะถือเอาเป็น forty มีสาปรากฏสัตว์ลาปรากฏเราจะไปเที่ยวไล่ ที่จะควบคุมจิตให้เป็นปัญญาเกิดขึ้นขณะนั้นคือหน้าที่ของวิญญาณเนี่ยมันทํากิจหลายอย่างทํากิจให้กับตัวเองทํากิจจะเจริญตัวเองทํากิจปฏิเสธปฏิบัติของตัวเองอ่าเพราะฉะนั้นคําทั้งหลายที่เป็นชื่อ ซึ่งเป็นความหลงที่เกิดขึ้นกับการรับรู้ถ้า ตัวจิตไม่ใช่คนละส่วนกันแล้วถามว่าสองส่วนนี้คือปัญญาแล้วอโมหะคือเธอ เข้าไปบังตาเข้าไปไปเป็นกระจกสีให้กับการรับรู้นั้น <c oughs> จิตใดที่